วันนี้เป็นวันเสาร์ที่20สิบพฤษภาคมพุทธศักราช 2,566 เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นคำสอนที่จะนำพาให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้พบกับความสุขความเจริญที่แท้จริงความสุขความเจริญที่แท้จริงนี้ <c oughs> <c oughs> เกิดจากการประธรรมบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ คุทธบอยสัตว์ได้กระทากันเพราะว่าเป็นความสุขความเจริญที่จะอยู่คู่กับใจจะไปกับใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วต่างกับต่างจากความสุขอีกแบบหนึ่ง ที่เรียกว่าความสุขที่ได้จากโล ก, กธรรมสี่ชนิดคือลาบยศสรรเสริญและความสุขที่ได้จากการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆความสุขจากโล ก, กธรรมนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะไม่ติดไปกับ ใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วต่อให้มีเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านมียศมีตำแหน่งสูงเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นอะไรก็ตาม <c oughs> เป็นได้รับรางวัลเกียรติยศชนิดต่างๆได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะ ชนิดต่างๆความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะไม่ติดไปกับใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าต้องการความสุขที่ยั่งยืนกว่าที่จะติดไปกับใจจาเป็นที่จะต้องมาสร้างความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง ก็คือความสุขที่เกิดจากการทำบุญชนิดต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่งสอนให้ชาวพุทธเราหมั่นทากันอยู่เรื่อยๆเพราะความสุขเหล่า น, นี้เป็นความสุขที่เราสะสมไว้ในใจได้แล้วก็เอาติดไปกับใจได้แล้วก็จะเป็นผู้ที่จะให้ความสุขความสบายความอิ่ม ความพอให้กับใจในช่วงที่ไม่มีร่างกายในช่วงที่เป็นดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในสุขติเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์เราชาวพุทธเราจึงควรที่จะให้สาคัญกับการหาความสุขทางจิตใจ จากการทำบุญชนิดต่างๆยิ่งกว่าการที่เราจะไปหาความสุขจากโลกกระททั้งสี่ก็คือก็คือลาบยศสรรเสริญและความสุขจากการได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลถ้าชนิดต่างๆเพราะถ้าเราหาแต่ความสุขแบบนี้ความสุขจากโลกกระม เวลาที่ร่างกายตายไปความสุขเหล่านี้มันจะไม่ไปกับใจเลยแม้แต่นิดเดียว <c oughs> ใจก็จะไปแบบผู้ที่ไม่มีความสุขถ้าไม่ได้ทำบุญชนิดต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้กระทํากัน <c oughs> ก็จะไปไปเป็นแบบดวงวิญญาณที่เล่ร่อนดวงวิญญาณที่อาภัพ ดวงวิญญาณที่จะไปอยู่ในทุกขติก็ค <c oughs> ืออยวู่ในสภาพที่มีแต่แความแร่นแค้นมีแต่ความทุกข์ยากลำบากในรูปแบบต่างๆดังนั้นอย่าหลงไปกับการหาความสุขทางโลกธรรมทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสจนลืม การหาความสุขที่แท้จริง <c oughs> ที่จะติดไปกับใจที่จะอยู่กับใจที่จะเป็นผู้คุ้มครองใจ <c oughs> เป็นที่พึ่งของใจ <c oughs> เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว <c oughs> ตอนที่เป็นดวงวิญญาณนี้ดวงวิญญาณไม่สามารถที่จะไปหาโลกธรรมมาให้ความสุขได้ เพราะการที่จะหาโลกธรรมคือลาบยศ ส, สรรเสริญและความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองถ้าไม่มีร่างกายเช่นคนตายนี่จะให้ไปหาเงินหาทองก็หาไม่ได้แล้วไปหายศหาตำแหน่งอะไรต่างๆก็หาไม่ได้หารางวัลชนิดต่างๆก็หาไม่ได้ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพัชชนิดต่างๆก็หาไม่ได้ <c oughs> ดวงวิญญาณที่ไม่มีบุญเลยไม่มีบุญหลอเลี้ยงจิตใจเลยก็จะเป็นดวงวิญญาณที่อาภัพเป็นดวงวิญญาณที่อยู่กับความทุกข์ยากลาบากชนิดต่าง ๆ, ๆดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อคำสั่งคำสอนของพระอริยสงสาวุของพระพุทธเจ้าที่จะคอยพร่มสอนให้พวกเหล่านี้ว่าทำบุญชนิดต่างๆกันบุญในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าได้ส่งสอนให้ชาวพุทธเราทํานี้ก็มีอยู่สิบชนิดด้วยกัน บุญชนิดที่หนึ่งเรียกว่าทานทานนามัยทานก็คือการให้ให้สิ่งที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ให้แล้วจะเกิดความสุขใจอิ่มใจบุญชนิดที่สองให้เราชาวพุทธหมั่นทากันก็คือการมีศีลหรือเกิดการรักษาศีลหรือการละเว้นจากการกระทำบาป ล้เว้นจากการค่าสัตว์รักทัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดดื่มสุรายาเมาละยาเสพติดที่ทําให้ใจขาดขาดสติอันนี้มีการักษาศีลได้จะป้องกันไม่ให้ใจไปตกต่ําไม่ให้ตกไปอยู่ในอบายหรืออยู่ในทุกขติจะอยู่ในระดับมนุษย์ยังต่ําที่สุดก็ระดับของมนุษย์ และถ้าได้ทำบุญเช่นทำทานก็จะยกระดับความสุขของจิตให้อยู่ระดับของเทพต่อไปนี่คือบุญชนิดที่สองคือศีลรักษาศีลอย่าทำบาป <c oughs> บุญชนิดที่สามเรียกว่าภาวนาการภาวนานี้ก็คือการสร้างความสงบให้กับใจในสองระดับด้วยกัน ระดับแรกสร้างความสงบของใจด้วยสติด้วยการเพ่งใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อทำใจให้สงบ <c oughs> เวลาใจสงบแล้วจะเกิดความสุขขึ้นมาในใจ <c oughs> เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง <c oughs> อันนี้เรียกว่าภาวนาส ม, มถะภาวนา ภาวนานี้มีอยู่สองระดับระดับแรกเรียกว่าสมถะภาวนาคือการใช้สติกํากับใจไม่ให้คิดปุุงแต่งหยุดใจให้คิดทําใจให้นิ่งเป็นสมาธิขึ้นมาเรียกว่าสมถะภาวนาภาวนาอันระดับที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนา อันนี้ทำใจให้สงบด้วยปัญญา <c oughs> ด้วยปัญญาคือปัญญาที่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบแล้วเมื่อรู้ว่าเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบนั้นคืออะไรก็กำจัดมัน <c oughs> หยุดมันพอหยุดมันได้ความสงบความไม่สงบความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปหมด เหลือแต่ความสงบอยู่ตลอดเวลาเป็นความสงบเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ถาวรที่สุดเกิดจากการจเจริญวิปัสสนาภาวนาแต่ก่อนที่จะได้วิปัสสนาภาวนาจาเป็นที่จะต้องสร้าง ส, สมถฏภาวนาด้วยการจเจริญสติก่อน อันนี้คือบุญที่เกิดจากการภาวนาในบรรดาบุญทั้งหลายทั้งสิบประการนี้บุญที่เกิดจากการภาวนานี้เป็นบุญที่สูงสุดสุดยอดของบุญเพราะว่าถ้าได้ภาวนาระดับสมวิปัสสนาภาวนา <c oughs> ก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้บรรลุพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขั้นพระสะกิทาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์จะได้จากบุญที่เกิดจากการภาวนา <c oughs> ละบุญชนิดที่สคือการอุทิศบุญเวลาที่เราทำบุญแล้วเช่นทำทานใจเรามีความสุขจากการทำบุญทำทานเราสามารถแบ่งบุญส่วนนี้ ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้คือเป็นการทำบุญกับคนตายนั่นเองถ้าเราอยากจะทำบุญกับคนเป็นเราก็ซื้อข้าวซื้อของไปให้เขาเช่นคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราสงสารเห็นเขามีความทุกข์ยากอยากจะให้เขามีความสุขเราก็ซื้อข้าวซื้อของอะไรไปแจกอย่างนี้ ก็คือการทาบุญกับคนเป็นแต่สำหรับคนตายนี้เราไม่สามารถที่จะส่งข้าวของเงินทองไปให้กับเขาได้แต่สิ่งที่เราจะส่งไปให้กับเขาได้ก็คือความสุขใจที่เกิดจากการทำทำบุญทําทานของเรานี่เอง <c oughs> เวลาเราทำทานแล้วเราก็จะสามารถที่จะอุทิศบุญนี้ไปได้ อันนี้ก็ <c oughs> เป็นเรียกว่าการอุทิศบุญเป็นการทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้น mm hmm. เราทำบุญทำทานใส่บาทเสร็จแล้วเราได้บุญได้ความสุขจากการทำบุญทาทานใสบาศแล้วเราก็อุทิศบุญที่เราได้นี้แบ่งไปส่วนหนึ่งให้กับผู้ที่ร่วมรับไปแล้วผู้ที่เราคิด ที่เราเคารพเราลักเรามีความกตัญญูเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายเราอยากให้ดวงวิญญาณของท่านอยู่อย่างมีความสุขเราก็สามารถช่วยให้ท่านอยู่อย่างมีความสุขได้ด้วยการแบ่งบุญของเราไปที่เรียกว่าบุญอุทิตอันนี้ก็เป็น <c oughs> บุญชนิดที่สทานศีลภาวนาแล้วก็อุทิตบุญ บุญชนิดที่ห้าเรียกว่าอนุโมทนาบุญ<ม>การอนโุโมทนาบุญก็คือความชื่นชมยินดีกับการทำบุญของผู้อื่นเ<ม>ช่นบางทีเราไม่เราอาจจะไม่ยินดีก็ได้เช่นถ้าเป็นบิดามารดาของเราอย่างนี้แล้วท่านมีศรัทธา ที่อยากจะทำบุญบรยจากรับไปก้อนหนึ่ง mm hmm. ซึ่งถ้าลูกเป็นลูกที่มีความลูปในกองมรดก mm hmm. ก็อาจจะรู้สึกเสียดาย mm hmm. เพราะว่าแทนที่จะอยู่เป็นกองมรดก mm hmm. ก็พ่อแม่ก็แบ่งเอาไปทำบุญทำทาน mm hmm. ทำให้กองมรดกนี้ลดน้อยลงไป คือทำให้ลูกนี้ที่จะได้รับมรดกน้อยลงไปถ้าลูกมีความคิดแบบนี้ลูกจะไม่จะอนุโมท น, น, นาบุญไม่ออกอเพราะเสียดายเงินแต่ถ้าลูกเป็นลูกที่มีความกตัญญูลูกที่มีความคารพรักพ่อแม่เห็นความสำคัญของการทำบุญของพ่อแม่ว่า บุญที่พ่อแม่ทำนี่แหละจะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ต่อไปตอนที่พ่อแม่ได้จากโลกนี้ไปแล้ว <Yeah. S 2> ถ้าคิดอย่างนี้ได้ <Yeah. S 2> ก็จะอนุโมทนายินดีกับการทำบุญของพ่อของแม่ได้ <Yeah. S 2> โดยที่ไม่หวงังไม่คิดเสียดายกับเงินที่เป็นกอง <Yeah. S 2> ที่จะเป็นกองมรดกต่อไป เพราะคิดว่าอันนี้เป็นเงินของพ่อแม่เขาไม่ใช่เงินของเราถึงแม้ต่อไปจะเป็นมรดกก็าตามแต่ตอนนี้มันไม่ได้ยังไม่ได้เป็นมรดกมันยังเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่พ่อมาหามาด้วยความยากลำบากพ่อแม่จะทาเอาเงินก้อนนี้ไปทาบุญทาทานเราต้องมีความยินดีชื่นชมยินดี เราจะได้มีความสุขไปกับการทำบุญทำทานของพ่อแม่ด้วยลูกบางคนนี้เวลาเห็นพ่อแม่ทำบุญนี้เสียดายเงินแทนพ่อแม่ ท, ท, ทั้งที่ไม่ใช่เป็นเงินของลูกเลยแม้แต่บาทเดียวแต่เนื่องจากความโลปของลูกความรูปที่อยากจะได้เงินทองของพ่อแม่เวลาที่พ่อแม่ตายไปแล้วก็อาจจะไม่อนุโมทนาอาจจะไม่ให้ความร่วมมือ บางทีพ่อแม่อยากจะไปทําบุญก็อาจจะแก้งว่าไม่ว่างบ้างกิจธุระที่นูน่นที่นี่บ้างไม่ยินดีที่จะไปทําบุญไม่ยินดีที่จะพาพ่อแม่ไปทําบุญให้พ่อแม่ได้มีโอกาสได้ทําบุญอันนี้เรียกว่าไม่ได้อนุโมทนาบุญถ้าอนุโมทนาบุญนี้ต้องยินดีเวลาเห็นใครเขาทาบุญน เราต้องชื่นชมยินดีเพราะบุญนี้มันเป็นสิ่งที่ดีกับทุกคนทั้งคนที่ทำเองคนที่คนที่ทำและคนที่ได้รับผลจากการทำ <Yeah. S 2> มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย <Yeah. S 2> จึงไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะไปขัดขวางหรือไม่อนุโมทนา yeah. Yeah. ถ้าเราอนุโมทนา เราก็จะได้ความสุขใจที่เกิดจากการอนุโมทนาอนุโมทนาดีใจที่พ่อแม่ได้ทำบุญทำทานเพราะว่ารู้ว่าบุญที่ได้จากการทำบุญทำทานนี้จะพาให้พ่อแม่ไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆนี่คือการอนุโมทนาบุญไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าเรา เกี่ยวข้องด้วยถ้าเขาทําบุญเราไม่ควรที่จะไปขัดขวางเขาเราควรที่จะสนับสนุน เ, เปิดทางให้กับเขาไปให้เขาได้ทําบุญถ้าเขาไปวัดเองไม่ได้เราก็อาสาสมัครขับรถพาไปก็ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการ อ, อ, อนุโบทนาบุญหรือถ้าเรามีลูกน้องที่ทํางานกับเรา แล้วขอขอลาบวชสี่เดือนช่วงเข้าพรรษา mm hmm. เราก็จะขาดคนงานไปคนหนึ่ง mm hmm. แต่ถ้าเราเห็นว่าการไปบวชนี้ mm hmm. เป็นการไปสร้างบุญสร้างกุศลให้กับลูกน้องให้ลูกน้องเขามีความสุขในขณะที่เขามีชีวิตอยู่และในขณะที่เขาตายไปดวงวิญญาณของเขาก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุข mm hmm. ถ้าเราเป็น เจ้านายที่ดีเราก็ควรจะอนุโมทนาด้วยการอนุญาตให้เขาได้ไปทำบุญตามที่เขาปรารถนาเพราะการที่จะบวชได้ครบพรรคนี้มันจะต้องลางงานกันเพราะว่างานนี้เขาไม่มีวันหยุดให้หยุดได้ยาวๆแต่ถ้าเราเป็นคนที่ชอบอนุโมทนาบุญเราก็ต้อง ยินดีต้องานอนุญาตให้เขาไปบวชได้ mm hmm. เรียกว่าเป็นการอนุโมทนาบุญ mm hmm. อันนี้ไม่ใช่เป็นแบบที่เราเข้าใจกันบางคนไปทําบุญที่วัดพอกลับมาบ้านก็บอกว่าวันนี้เอาบุญมาฝากนะ mm hmm. อย่างนี้เอามาฝากไม่ได้บุญนะบุญของใครของมัน ใครอยากจะได้บุญก็ต้องไปทำกันเองหรือฝากไปทำได้อยู่เช่นถ้าเพื่อนบ้านจะไปทำบุญที่วัดวันนี้เราไม่ว่างเราก็ฝากของไปทำบุญก็ได้เราทำกับข้าวอะไรไว้ทักอย่างหนึ่งแล้วเราก็จัดใส่ภาชนะฝากเขาไปให้เขาเอาไปถวายวัดให้ถวายทำบุญให้ที่วัดอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะได้บุญไม่ใช่ว่าเพื่อนบ้านไปทำบุญเสร็จแล้วกลับมา ก็บอกว่าวันนี้ไปทำบุญเอาบุญมาฝากนะให้อนุโมทนาอันนี้บุญที่เขาามาฝากนี้เรารับไม่ได้เราไม่เขาอามาให้เราไม่ได้บุญใครบุญมันแต่ถ้าเราชื่นชมยินดีกับการไปทําบุญของเขาเราก็จะได้บุญส่วนนี้คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญยินดีกับการที่เขาได้ทำบุญ ั น, นี้คืออนุโมทนาบุญข้อที่สี่อุทิศบุญข้อที่ห้าอนุโมทนาบุญข้อที่หกบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือหรือรับใช้ผู้อื่นอันนี้เป็นการกระทําไม่ได้เป็นการแบ่งข้าวของเงินทองหรืออะไรแต่เสียสละเวลากําลังกําลังกายของเรา ช่วยเหลือทำงานจิตอาสาต่างๆเวลาที่ไหนต้องการความช่วยเหลือให้คนมาร่วมกันร่วมแรงกันช่วยทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้เสร็จลู่ล่วงไปเราก็ไปร่วมทำไปเป็นอาสาสมัครทำงานโดยที่ไม่เรียกค่าตอบแทนอันนี้ก็เรียกว่าประการทาบุญอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกับการทำทานแทนที่เราจะ เวลาทําทานเราก็ใช้ข้าวของเงินทองแต่การไปรับใช้ผู้อื่นรับใช้สังคมเป็นจิตอาสานี้เราใช้กําลังกายของเราเป็นเป็นเครื่องมือในการทําบุญตอ บ, บางทีเราไม่มีเงินมีทองที่จะทําบุญได้แต่เรามีเวลาว่างเรามีร่างกายที่แข็งแรงที่สามารถที่จะไปทํางานอะไรต่างๆได้ เช่นเวลามีงานบวชมีงานกระถินมีงานอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ไปร่วมด้วยการไปช่วยทำงานต่างๆในงานนั้นโดยที่เราไม่ได้เรียกค่าตอบแทนอันนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขใจได้บุญเหมือ น, นกับการทำบุญทำทานอันนี้คือบุญข้อที่เจ็ด บุญข้อที่แปดก็คือบุญที่เกิดจากการ ม, มีความอ่อนน้อมถ่อมตนทำตนให้เป็นผู้ผู้น้อย<ม>เวลาไปเข้าสังคมไปคบ ป, ปะคบค้าสมาคมกับใครถ้าเราทำตัวเป็นผู้น้อยไม่ไปทำตัวใหญ่กับเขาจะเป็นคนที่ไม่มีใครรังเกียจที่จะคบค้าสมาคมด้วย ถ้าเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนใครก็ยินดีต้อนรับเราก็จะมีความสุขกับการที่เราได้พบปะกับคนชนิดต่างๆคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้จะสามารถครบค้าสมาคมกับคนได้ทุกชนิดและก็จะไม่มีใครรังเกียจไม่มีใครรังเกียจคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีแต่คนรักคนชอบคนยินดีที่จะคบค้าสมาคมด้วยการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนก็จะทำให้มีความสุขเวลาได้อยู่กับใครได้พบปะกับใครได้สังสรรค์กับใครได้ร่วมกิจกรรมอะไรกับใครนี้จะรับประกันได้ว่าจะไม่มีปัญหากับใครถ้ารู้จักทาตัวให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ยอมเป็นผู้ที่ไม่ต้องการจะเอาแพ้เอาชนะใคร เป็นผู้ที่ยอมแพ้เป็นผู้ที่แพ้เป็นพระชนะเป็นมารคือผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้จะไม่มีเรื่องมีราวกับใครนย <c oughs> อันนี้ก็จะทำให้ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้มีความสุขเวลาที่จะต้องพบปากกับใครจะไม่รู้สึกว่าจะมีความเดือดร้อนใจแต่อย่างใดเพราะผู้ที่คบค้าสมาคม เพื่ปะด้วยเขาก็จะไม่รังเกียจเขาก็จะมีความเอ็นดูเมตตาต่อผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตนี่ก็คือบุญที่เกิดจากการกระทําตนเองให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนข้อต่อมาข้อที่แปดหรือข้อที่เก้าแล้วข้อที่ข้อที่แปดคือบุญที่เกิดจากการอ ฟังเทศฟังธรร ม, มการศึกษาธรรมะมเวลาฟังธรรมนี้จะได้เรียนรู้ธรรมะที่เราไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนธรรมะที่เราได้เรียนรู้มาก่อน<ม>ก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้เรากำจัดความลังเลสงสัยในธรรมต่างๆได้<ม>จะทำให้เรามีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้อง และจะทำให้จิตใจเราสงบผ่องใสมีความสุขก <c oughs> <c oughs> ารที่เราได้ยินได้ฟังธรรมนี่แหละเราจะได้เรียนรู้วิธีสร้างความสุขให้กับใจเราเนี่ย <c oughs> ถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่รู้วิธีสร้างความสุขให้กับใจเราก็คิดว่าเราต้องมีความสุขตามคนอื่นเขา ซึ่งคนอื่นที่ไม่มีธรรมะก็จะหาความสุขจากโลกธรรมำหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นความสุขที่จะติดไปกับใจมันจะอยู่แค่เวลาที่ร่างกายนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่พอเวลาร่างกายตายไปแล้วความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้ จะไม่ติดไปกับใจเลยแม้แต่นิดเดียว mm hmm. ถ้าไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็อาจจะลบนุ่มหลงกับการหาความสุขจากโล ก, กธรรมทั้งสีน่นี้ก็จะไม่สนใจกับการเรื่องของการทำบุญชนิดต่างๆเพราะส่วนหนึ่งก็คิดว่าตายแล้วศูนตาย mm hmm. เพราะคิดว่าชีวิตนี้มีเพียงร่างกายเพียงส่วนเดียวคิดว่าถ้าร่างกายตายไปแล้ว แล้วใครจะไปรับผลบุญที่ได้ทำไว้ <c oughs> ทำไปก็เสียประโยชน์เปล่ า, าไม่ได้อะไรสู้สู้เอาหาราบยศฉละสริสุขดีกว่าเราสามารถสัมผัสได้ทันทีได้ราบยศฉละสริสุขมาแล้วก็เกิดความสุขใจดีใจขึ้นมาทันทีส่วนการทำบุญชนิดต่างๆนี้มันเป็นความรู้สึกที่ลึกเข้าไปในใจ ที่ถ้าไม่สังเกตไม่มองก็อาจจะมองไม่เห็นก็อาจจะไม่รู้และก็อาจจะต้อง <c oughs> กว่า จ, จะสัมผัสรับรู้ได้ก็อาจจะต้องทำบ่อยๆทำให้มากเพราะว่าทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียวนี้อาจจะยังไม่รู้สึกอะไรจากการได้ทำบุญทาทานเ <c oughs> นี่ยเป็นความสุขที่ลึกซึ้งที่ต้องใช้เวลาทำบ่อยๆทำมากๆถึงจะเริ่ม สัมผัสรับรู้ได้ต่างกับความสุขทางโล ก, กธรรมที่สามารถรับรู้ได้ทันทีพ mm hmm. อ, อถูกหวยปั๊บได้รางวัล น, นี่ก็ดีอกดีใจขึ้นมาทันที mm hmm. แต่ความดีอกดีใจจากการถูกหวยนี้มันอยู่ไม่นาน mm hmm. เดี๋ยวมันก็หมดไปเดี๋ยวเงินรางวัลที่ได้จากถูกหวยหมดไปความสุขที่ได้จากความถูกหวยมันก็หายไปหมด <c oughs> นี่คือบุญที่เกิดจากการฟังธรรมฟังธรรมแล้วจะได้ปัญญาได้ความรู้ที่จะพาให้ใจได้ไปทำสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขใจตามมา mm. การฟังธรรมนี้ถือว่าเป็น mm. เป็นการทำบุญที่ส ำ, mm. สำคัญที่สุดในบรรดาบุญทั้งหลาย mm. เพราะถ้าเราไม่ได้ฟังธรม mm. มงธรมไม่ได้ศึกษาธรรมะคาสั่งคาสอน ของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขให้กับใจที่ยั่งยืนและถาวรเราก็จะไปหลงกับการหาความสุขจากความสุขแบบชั่วคราวคือความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระการฟังธรรมนี้จึงเป็นกิ จ, จวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงทรงย้ำให้ฟังอยู่เรื่อย อย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งตามตามตามแบบในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลนี้การจะฟังธรรมได้จำเป็นที่จะต้องไปวัดถึงจะฟังธรรมได้และจะไปได้ก็ต้องไปวันที่เป็นวันหยุดนวันหยุดก็คือวันพระในสมัยก่อนพอวันพระมาถึงก็จะได้มีเวลาว่างไปวัด ไปฟังเทศฟังธรรมพร้อมกับไปการกับการทำบุญชนิดต่างๆทำบุญทาทานใส่บาตร <c oughs> ถาวายปัจจุจตุปัจปจัยข้าวของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแล้วก็ไปรักษาศีลแล้วก็ไปภาวนา <c oughs> เป็นกิจกรรมที่ทำกันในวันพระวันหยุดทำงาน พระพุทรเจ้าทรงเน้นเรื่องของการฟังธรรมเพราะถ้าไม่ฟังธรรมก็จะไม่รู้ว่าธรรมะธรรสั่งคําสอนให้เราทํานั้นมีอะไรบ้างถ้าไม่ฟังธรรมจะไม่รู้เรื่องบุญสิบชนิดนี้แต่ถ้าได้ฟังธรรมแล้วก็จะได้รู้ว่ามิตรการที่เราจะสร้างความสุขให้กับดวงใจของเราดวงวิญญาณของเราเราจําเป็นที่จะสร้างความสุขด้วยการทําบุญชนิดต่างๆ นี่คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็บุญข้อที่9กก็คือบุญที่เกิดจากการแบ่งธรรมะให้แก่ผู้อื่นเช่นวันสมัยนี้เราเวลาดูอะไรมีใครส่งธรรมะข้อความดีๆมาให้เราได้อ่านพอเราได้อ่านแล้วเราเกิดความสุขใจเกิดความประทับใจ เราก็สามารถส่งไปให้คนอื่นต่อได้การส่งธรรมะให้กับผู้อื่นก็เรียกว่าเป็นการทำบุญส่งความสุขที่เกิดจากการได้อ่านข้อความดีๆได้อ่านธรรมะดีๆพอเราส่งไปให้คนอื่นพอคนอื่นเขาได้อ่านเขาก็จะเกิดความสุขตามมาอันนี้ก็เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่ง คือการเผยแผ่ธรรมะให้กับผู้ถ้าเรามีธรรมะเราเห็นธรรมะได้อ่านธรรมะที่มีคนมีประโยชน์กับเราทาให้ใจเรามีความสุขสามารถกำจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่มีในใจของเราให้หายไปได้ <Yes. S 1> เราก็แบ่งธรรมะเหล่านี้ไปอันนี้เรียกว่าเป็นการ ให้ธรรมะแก่ผู้แจกธรรมะเป็นธรรมทานให้โดยที่ไม่คิดค่าใช้ใจ่ายหรือถ้าเราอ่านหนังสือธรรมะดีๆเห็นมีคุณค่ามีคุณประโยชน์เราก็อาจจะร่วมจัดพิมพ์หนังสือกันก็ได้จัดพิมพ์หนังสือแล้วเอามาแจกให้กับผู้ผู้ที่เขายังไม่ได้อ่านพอเขาได้อ่านแล้วเขาก็จะได้รับความสุขเหมือนกับที่เราได้รับความสุข อันนี้ก็เป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งคือการทำบุญด้วยการแบ่งปันธรรมะคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าและบุญชนิดที่สิบสุดท้ายก็คือการมีความเห็นที่ถูกตั้งนน่การมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าบุญมีสองชนิดด้วยกัน เ, เห็นว่าความสุขมีสองชนิดด้วยกัน ความสุขชั่วคราวก็คือความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสและความสุขที่ยาวนานหรือถาวรก็คือความสุขที่เกิดจากการทาบุญสิบชนิดนี้ mm hmm. ถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างนี้ mm hmm. ก็แสดงว่ามีมีบุญพอะจะดำเนินชีวิตไปในวิธีที่ถูกต้องจะ <c oughs> จะหาความสุข ชนิดที่ถูกต้องคดยความสุขที่จะอยู่คู่ไปกับใจไม่ใช่เป็นความสุขที่มามาแล้วก็หายไปแบบความสุขที่ได้จากโลกประธรรมทั้งสี่คือลาบยศสา ร, รเสริญแนะลรูปเสียงขลอดโผฏฐะชนิดต่างๆ <c oughs> <c oughs> นี่คือบุญสิบชนิดด้วยการที่พระพุทธเจ้าได้ทรง สอนให้ชาวพุทธเราให้เราบำเพ็ญกันนี้บุญศิบชนิดนี้เราก็อาจจะสามารถแบ่งเป็นสอ ง, ส, องส่วนก็คือบุญที่เราควรที่จะทำอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องและบุญที่เราทำตามวาระโอกาส<ม>บุญที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องก็คือหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาธรรมะคาสั่งคาสอน เพราะการฟังธรรมนี้จะทาให้เราได้เรียนรู้วิธีการทําบุญชนิดต่างๆและรู้รายละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆการฟังธรรมครั้งเดียวนี้เราอาจจะได้ความรู้เพียงชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองยังไม่ครบครบเต็มร้อยเราต้องฟังไปได้เรื่อยเพราะธรรมะนี้มีหลายแง่หลายมุมด้วยกันมีรายละเอียดต่างๆที่เราจะต้องเรียนรู้ ถ้าเราไม่เข้าใจเราสงสัยอะไรเราก็ต้องพยายามฟังธรรมรู้ศึกษาธรรมไปเรื่อยๆค้นคว้าหาความรู้จากธรรมะไปเรื่อยๆช่นเรื่องบุญต่างๆนี้บุญชนิดไหนที่เราควรจะทําเป็นนิสัยทําทําเป็นทําอย่างต่อเ น, นื่องทุกวันก็นี่แหละคือกับบุญที่เกิดจากการฟังธรรมถ้าเรา เดี๋ยวนี้เราสามารถฟังธรรมได้ทุกวันเพราะเรามีสื่อมีเครื่องมือถ้าไม่ฟังธรรมเราก็มีหนังสือธรรมะให้อ่านการศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยนี้เป็นการเสริมสร้างสติปัญญาความรู้ความฉลาดให้กับผู้ที่ได้ศึกษาเราจะได้เอาความรู้นี้ที่เปรียบเหมือนแสงสว่างในที่มืดที่จะสามารถแยกแยะให้รู้ว่า อะไรเป็นสุขแท้อะไรเป็นสุขปลอมอะไรเป็นทุกข์<ม>อะไรเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทาอะไรเป็นสิ่งที่เราควรทา<ม>อะไรที่จะให้ความสุขกับเราอย่างยั่งยืน<ม>อะไรที่ให้ความสุขเราแบบชั่วคราว <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราฟังเทศฟังธรรมหรือศึกษาอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อย แล้วมันจะเสริสร้างให้เรามีศรัท ธ, ธาความเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มากยิ่งขึ้นไปยิ่งอ่านได้ศึกษาเรื่องธรรมะมากเท่าไหร่ยิ่งจะเกิดมีความศรัท ธ, ธามีความเชื่อในความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าและของพระอานนท์ตสาคกว่าท่านเป็นบุคคลที่ฉลาดที่เก่งกาจที่หาหาใครมาเปรียบไม่ได้ เพราความสามารถความเกลี่ยนกายของท่านนั้นอยู่ที่การที่ท่านสามารถาทําลายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของท่านให้หมดสิ้นไปได้ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทุกคนจะทํากันได้แม้แต่ได้เป็นมหาเศรษฐีได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถที่จะ เอาตําแหน่งหรือเอาเงินทองเหล่านี้มาทําลายความทุกข์ของใจได้ความทุกข์ของใจนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมธรรมที่จะช่วยมากําจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันอย่างสม่ําเสมอก็คือหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมสองการทําทานการแบ่งปัน สิ่งที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ <Yeah. S 2> ถ้าเรามีเงินทองพอเหลือกินเหลือใช้ <c oughs> เราก็แบ่งไปมากน้อยแล้วแต่กำลังของเรา <Yeah. S 2> มีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากขอให้เรามองว่าเงินทองส่วนเกินนี้ถ้าเราไม่เอามาทำบุญมันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรา <Yeah. S 2> ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นเอาเงินที่มันไม่มีคุณประโยชน์ ที่เราเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้นี่เอามาทาบุญทาบุญกับใครก็ได้แล้วแต่เราอยากจะทำส่วนใหญ่เรามักจะทำกับคนที่มีพระคุณกับเราก่อนเช<ม>่น ท, ทากับบิดามารดาปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณ<ม>ที่เลี้ยงดูเรามาก็ควรจะทดแทนบุญคุณของท่านตามโอกาสตามกำลัง จากนั้นเราก็ไปทดแทนบุญคุณของพระศาสนาด้วยการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาใส่ทำบุญใส่บาตรถวายถวายของใช้จำเป็นของพระเช่นจีวรหรือสร้างทีู่่าสัยสร้างกุตติสร้างศาลาเพื่อทำเพื่อทาภารกิจต่างๆทา ง, ทางศาสนา อันนี้เป็นภารกิจเป็นการทำบุญทำทานที่พึงกระทำกันอยู่เรื่อยๆทำมากทำน้อยไม่เป็นไรขอให้ได้ทำอยู่บ่อยๆเพราะมันจะได้ติดเป็นนิสัยมันจะช่วยทำให้เราลดความตนันในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองและลดความโลภที่อยากจะร่ำอยากรวยจากตังมีเงินทองมากๆเพราะมีเงินทองมากๆแต่ <c oughs> แตมีไว้เฉยๆไม่เอามาทําบุญก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร <Yeah. S 2> อันนี้คือสิ่งที่เป็นบุญชนิดที่เราควรจะทําบ่อยๆ <Yeah. S 2> ถ้าเรามีพระเดินผ่านมาหน้าบ้านเราเราก็ใส่บาตรทุกวัน <Yeah. S 2> ทําบุญให้ติดเป็นนิสัยไปแล้วบุญนี้จะส่งให้เราไปยัางน้อยอางต่ำที่สุดก็ไปสวรรค์ <Yeah. S 2> ไปสวรรค์ชั้นเทพ <Yeah. S 2> <c oughs> ไม่ต้องไปเป็นขอทาน ทางดวงวิญญาณไม่ต้องไปเปรตไปเป็นเปรตมาคอยขอขอขอขอบุญจากผู้ น, <c oughs> <c oughs> นี่คือสิ่งที่ควรทําอยู่เป็นประจำก็คือทําทานแล้ข้อสองที่ควรข้อสามที่ควรจะทำข้อแรกก็คือฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆข้อสองก็ทําทานอยู่บ่อยๆตามองแล้วข้อที่สามก็รักษาศีล ตลอดเวลาทั้งตื่นตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้ควรจะมีอย่างน้อยต้องมีศีลห้าต้องไม่ทำบาปให้ได้เพราะถ้าไม่ทำบาปก็จะปิดประตูอาบายได้ก mm hmm. ารที่ไปเกิดเป็นไปเกิดในอาบายไปเป็นเดรัจฉ า, านเป็นเปรตไปนรกนี้ก็เกิดจากการทำบาปคือเกิดจากการไม่รักษาศีลนั่นเองถ้ามีการรักษาศีลก็จะไม่มีการกระทาบาป เมื่อไม่มีการกระทำบาป <c oughs> เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไม่ตกไปในอบาย <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องพยายามรักษาให้ได้ทุกตลอดเวลา <c oughs> และบุญชนิดที่สี่ที่ควรจะทำเป็นประจำก็คือการภาวนา <c oughs> ควรจะหาเวลามาฝึกสตินั่งสมาธิ <c oughs> หาเวลามาฟังเทศน์ฟังธรรม มาเจริญปัญญาเน <Yeah. S 1> เพราะว่าอันนี้จะเป็นการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ที่สุด <Yeah. S 1> บุญที่เกิดจากการทำบุญทรทานนี้กับ <Yeah. S 1> แล้วก็บุญที่เกิดจากการรักษาศีนี้ <Yeah. S 1> ไม่ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับบุญที่เกิดจากการภาวนา <Yeah. S 1> เพราะกับบุญที่เกิดจากการภาวนานี้ <Yeah. S 1> จะทำให้จิตได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้บุญที่เกิดจากการทาทานจากการรักษาศีนี้ยังไม่สามารถที่จะปลดใจให้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ทำบุญมากน้อยเท่าไหร่ตายไปไปสวรรค์แล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่รักษาศีตายไปก็ไม่ไปสบายแต่ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายใหม่ ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี่ก็จำเป็นที่จะต้องภาวนาทำบุญชนิดที่สามก็คือการทําใจให้นิ่งให้สงบหยุดความอยากที่เป็นต้นเหตุที่พาให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเหตุที่พาให้ใจไปไปเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆก็คือความอยากสามชนิดด้วยกัน ที่เรียกว่ากามาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหานี่กามาตัญหาก็คือความอยากเสพกามคือรูปสิ่งกฤฤฤฤฤินรสผลพันถ้ามีความอยากเสพกามเวลาร่างกายตายไปใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายและความอยากเสพกามมันก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันอยู่ที่ใจมันก็จะเป็นตัวที่จะชักจูง หรือผักดันใจให้ไปหาการมกามมาคุณห้าคือไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพการที่จะเสพกามมาคุณห้าได้ก็ต้องมีร่างกายของมนุษย์เนี่ย <c oughs> มันก็จะพาให้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดวงวิญญาณนี้ก็จะไปคอยหาร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหมอ่อีกนี่คือ ความอยากที่พาให้ใจต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คือการมาตัญหาเพื่อที่จะได้กลับมาเสบ ร, รูปเสียงกลิก่นลดใหม่ mm hmm. เช่นเดียวกับความอยากที่จะเสบ ร, รูปประชานกับอารูปประชานอันนี้ก็ก็จะทำให้เวลาตายไปคนที่ได้รูปประชานก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นขมชั้นรูปประพรม คนที่ได้รูปประชานก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นอรูปตระพุ่มแต่พอแต่พอบุญที่ส่งไปมันมันหมดกำลังลงดวงวิญญาณก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะใช้ร่างกายอันใหม่ไปไ ป, ไปเข้ารูปประชานไปเข้าอารูปประชานใหม่นี่คือตัณหาสามอย่างที่พาให้ ใจนี้จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่นี้เรื่อยคือความอยากเสพกามเสพ ร, รูปประชานความอยากเสพกามเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากจะเสพ ร, รูปประชานและความอยากจะเสป ร, รูปประชานก็จําเป็นที่จะต้องมีร่างกายก็จะทําให้ใจนี้ยังต้องไปหาร่างกายมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอได้ร่างกายมา ก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายทุกที่เกิดจากความแก่ของร่างกายทุกที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายทุกที่เกิดจากความตายของร่างกายทุกที่เกิดจากการสรูญเสียพัดภาคจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่เรารักและทุกที่เกิดจากการที่จะต้องไ ป, ปเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ชอบ นี่คือความทุกข์ที่ที่ดวงใจที่ยังมีความอยากทั้งสามชนิดอยู่นี้จะต้องมาเจออยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจะทำให้การมาเกิดนี้สิ้นสุดลงได้นี้จาเป็นที่จะต้องหยุดความอยากทั้งสามอยา่างนี้หยุดความอยากเสพกา ร, รหยุดความอยากเสพรูปปัจชานหยุดความอยากเสพอรรูปปัจจานให้ได้ การที่จะมาทำให้หยุดการเสพสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก็ต้องเกิดจากการภาวนา<ม>เบื้องต้นก็ให้หยุดความอยากเสพด้วยการใช้สติค<ม>วบคุมใจให้ให้นิ่งให้สงบ<ม>ให้เป็นสมาธิ<ม>เรียกว่า<ม> <c oughs> เป็นการกระทำสมถภาวนา<ม>เป็นการจเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบ สมถภาวนานี้ก็คือทำใจให้นิ่งไม่ต้องการอะไรเวลาทำสมาธินี้ไม่ต้องการรู้อะไรไม่ต้องการเห็นอะไรไม่ต้องการเกิดให้เกิดปัญญาต้องการให้ใจนิ่งสงบให้เป็นอุเบกขาให้สักแต่รู้ให้มีความอิ่มความพอ <c oughs> อันนี้จะเป็นกำลังของใจไว้สำหรับมาต่อสู้กับความอยาก เวลาที่ออกจากสมาธิมาเวลาออกจากสมาธิมาใจก็จะเริ่มอยากอย่างในรูปเสียงกลิ่นลดอย่างในรูปประชานหรืออย่างในอรูปประชานเวลาเกิดความอยากเหล่านี้ก็เอาปัญญามาสอนใจว่าความอยากเหล่านี้เป็นเหตุที่จะพาให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อย <c oughs> ถ้าไม่อยากจะไปเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องอย่าไปทําตามความอยากฝืนมันอยู่เฉยๆอยากจะไปเสกลูกเสียงกลิ่นน้อยก็ไม่เสกอยากจะไปเข้าฌานก็ไม่เข้าเข้ารูปปัจจานก็ไม่เข้าเข้าอรูปปัจานก็ไม่เข้าให้อยู่แบบเฉยๆอยู่ผืนความอยากให้ได้พอเห็นโทษของการทําตามความอยาก ว่าจะต้องพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากจะสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิด<ม>ก็ต้องบังคับใจฝืนใจไม่ไปทำตามความอยาก<ม>ถ้าใจมีอุเบกขามีมีกำลังของอุเบกขามากแล้วมีปัญญาเห็นโทษของการทำความอยาก<ม>ก็จะสามารถเลิกทำตามความอยากได้ พอเลิกเลิกทำตามความอยากได้ใจก็จะได้บรรลุมรรคผลขั้นต่างๆบรรลุขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันต์ได้้องเกิดจากการมีอุเบกขาและมีปัญญาที่เห็นโทษของความอยากต่างๆทาให้ <c oughs> ทำให้หยุดความอยากได้ไม่ไปทำตามความอยากได้ พอไม่ทำตามความอยากได้ความอยากก็จะหายไปพอความอยากหายไปหมดไปจากใจเหตุที่พาให้ใจมาเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะหมดไปใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการภาวนาและการจะภาวนาได้ดีก็ต้องอาศัยการการรักษาสิง ตอนต้นรักษาศีลห้าแล้วก็ขยับไปที่ศีลแปดหรือถ้าเป็นนักบวชก็ศีลสองอยีบเจ็ดไปและก่อนก่อนที่จะมารักษาศีลได้ดีก็ต้องทาบุญทาทานตัดเรื่องของการใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขไม่ฮะไม่สแสวงหาความสุขด้วยการหาเงินหาทองถ้าไปหาเงินหาทองก็จะไม่มีเวลามารักษาศีลมาภาวนา ถ้าอยากจะภาวนาะอยากจะรักษาศีล <c oughs> ก็ต้องตัดความอยากหาเงินหาทองเพื่อบางซื้อความสุขต่างๆแล้วเอาเงินทองที่มีอยู่ที่เหลือนี้เอาไปทำบุญให้หมด <c oughs> ไม่พึ่งเงินทองอีกต่อไป <c oughs> นี่คือแล้วก็อาศัยการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็ฟังธรรมครั้งเดียวเดี๋ยวก็ลืมได้ต้องฟังบ่อยๆฟังแต่ละครั้งก็จะได้จดจาได้ว่าต้องทาอะไรบ้างาต้องหยุด ต้องหยุดความอยากให้ได้เครื่องมือที่จะหยุดความอยากก็คือสติแล้วก็ปัญญาปัญญาก็คือการรู้ว่าการทำตามความอยากจะพาให้ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่อยากจะไปเวียนว่ายตายเกิด <S <S ก็อย่าทำตามความอยากก็หยุดความหยุดการกระทำตามความอยากได้ใจก็ต้องมีสมาธิมีอุเบกฐานนั่นเอง ถ้าใจไม่มีโอเบขาก็หยุดไม่ได้เหมือนรถที่ไม่มีเบรกถึงแม้รู้ว่าจะต้องเบรกต้องต้องหยุดรถเวลามาที่สี่แยกไฟแดงแต่ถ้าเบรกเสียเหยียบเบรกแล้วเบรกมันไม่รถมันไม่หยุดก็มันก็จะหยุดรถไม่ได้ฉันใดสิ่งที่จะมาเบรกใจไม่ให้ไปทําตามความอยากได้ก็คือสมาธิรู้เบกขานี่เองยิงต้องฝึกสมาธิให้มากๆจนกระทั่งสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ แล้วก็ใช้ปัญญาเป็ น, ค อ, นคอยเตือนว่าอย่าไปทำตามความอยากนะพอมันอยากขึ้นมาก็อย่าไปทำมันมันต้องมีทั้งสองอยา่างมีทั้งปัญญามีทั้งสมาธิช่วยกันถึงจะสามารถหยุดความอยากได้ <c oughs> พอหยุดความอยากได้แล้วใจก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใจที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดเราก็เรียกว่านิพานนี่เอง ชื่อของใจเป็ี <c> ่น <oughs> เปลี่ยนชื่อของใจจากใจที่เป็นวัตจกักรมาเป็นใจที่เป็นนิพพานใจที่เป็นวัตจักรก็คือใจที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอยู่นี่เองคื อ, อยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามะพุอยู่ในรูปะพุทธและอยู่ในอรูปะพุอยู่แต่ใจที่ละความอยากได้หมดแล้วกำจัดความอยากที่พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดได้หมดแล้วใจก็จะ เปลี่ยนชื่อเป็นนิพานไปทั้งเองเป็นชื่อของใจนิพานนี้ก็คือชื่อของใจชื่อของใจที่ไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปก็เรียกว่านิพานไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะอที่จะตื่นเต้นตกใจแลือน่ากลัวบางคนกลัวว่าไปนิพานแล้วจะสูญหายแต่ไม่สูญใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมใจนี้เหมือนเสื้อผ้าเนี่ย เสื้อผ้าที่เราเอาไปซักเนี่ย<ม>เวลาเสื้อผ้าสกรปรกเราก็เอาไปซัก<ม>เวลาซักสิ่งที่หายไปคืออะไรก็คือคราบสกรปรกที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าแต่ตัวเสื้อผ้าเองไม่ได้หาย<ม>การที่เราทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยาก<ม>ก็เป็นการทําความสะอาดใจของเราเวลาทำความสะอาดเสียใจไม่หายสิ่งที่หายไปก็คือสิ่งที่เป็นคราบสกรปรก ที่พาให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิด น, นั่นเนอง ก, ก, ก็คือความอยากต่างๆ <c oughs> <c oughs> แล้วพอใจไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดใจไม่มีความอยากมาคอยกระตุน้นใจก็จะสงบใจก็จะสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดสุขไปอย่างยาวนานนะไปไม่มีวันไม่มีวันหมดนะใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่ยังเป็นนิพพานอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่วันแผ่นเดือนหก จนถึงปัจจุบันนี้ใจของพระเจ้าก็ยังอยู่ยังเป็นนิพพานอยู่ยังไม่เปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนนามสกุลเป็นนิพพานไปตลอดเป็นนิบบานังปลมังสุขขังไปตลอดอส่วนใจของพวกเรานี้ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนเป็นมนุษย์บ้างเปลี่ยนไปเป็นเปรตบ้างเปลี่ยนไปเป็นเท่บ้างขึ้นอยู่กับบุญกับบาป ท, ที่เราทํากันอยู่ในขณะนี้แต่ถ้าเราปฏิบัติการ ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนทาบุญ4ี่ข้อใหญ่ๆนี้คือฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆทาบุญทมทานเสียสละครับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองออกไปให้หมดแล้วก็รักษาศีลศีลหศีล8ศีล227แล้วก็ภาวนาด้วยการใช้สติเรียกว่าสมถะภาวนาได้สมถะภาวนาได้อุเบกขาแล้วก็มาสอนใจ ให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าเหตุที่พาให้ใจต้องใบเวียนไหว้ตายเกิดก็คือตัณหาทั้งสามตัณหาในการอยากเสพการความอยากเสพรูปประชานความอยากเสพอารูปประชานเป็นตัวที่จะพาให้ต้องกลับมาเวียนไหว้ตายเกิดอยู่ เ, เรื่อยๆพอเกิดความอยากเหล่านี้ก็ต้องหยุดมันหยุดด้วยอุเบกขาหยุดด้วยใจที่สงบที่เป็นสมาธิอันนี้ถ้าปฏิบัต ถ้ามีสมาธิแล้วมีปัญญาแล้วก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความอยากได้แล้วก็ไม่ต้องมากลับมาเวียนวหาตายเกิดอีกต่อไปนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพระเป็นผู้ชายนะเพราะใจของคนเราทุกคนเหมือนกันมีกิเลสเหมือนกัน <c oughs> สามารถสร้างธรรมะคือทานศีลภาวนา ขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปด้อยค่าตัวเราเองว่าเราเป็นผู้หญิงเราไปเราปฏิบัติไม่ได้อันนี้ไม่จริงทุกคนปฏิบัติได้ทุกคนทำทานได้ทุกคนรักษาศีลได้ทุกคนภาวนาได้อยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่จะเชื่อหรือไม่ถ้ายัางไม่เชื่อก็ต้องพยายามศึกษาคาส่งคาสอนของพระพุทธเจ้าไปให้มากขึ้น แล้วต่อไปก็จะเกิดศรัทธาที่แรงขึ้นที่มากขึ้นแล้วก็จะทำให้มีกำลังที่จะสามารถที่จะทำตามที่พระเจ้าทรงสอนให้กระทำได้คนที่ไปนิพพานนี้มีทุกมีทุกรูปทุกเพศทุกวัยในสมัยพุทธกาลคนที่บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์นี่ <c oughs> มีทั้งนักบวชมีทั้งผู้คองเรือนมีทั้งหญิงมีทั้งชาย <c oughs> มีทั้งคนแก่มีทั้งคนหนุ่มคนสาวมีทั้งเด็กมีทั้งคนรวยมีทั้งคนจนมีมีทั้งพระราชามหากษัตริย์มีทั้งพวกที่เป็นขอทาน<ม>ความสถานภาพเหล่านี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคก็คือความเชื่อหรือไม่เชื่อนี่<ม>ถ้าไม่เชื่อมันก็จะเป็นอุปสรรคได้งนั้นท่างพยายามปลูกฝังความเชื่อ วิธีที่จะทำให้เกิดความเชื่อก็ต้องศึกษาจากแหล่งที่แท้จริงก็คือศึกษาจากพระ พ, พุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแล้วก็จะเกิดความเชื่อแล้วก็จะทำให้เราได้มีความยินดีที่จะปฏิบัติตามคาสอนพอเกิดความยินดีแล้วได้ปฏิบัติตามคาสอนเหี๋ยวผลก็คือมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏตามขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอน นี่คือเรื่องของการทำบุญชนิดต่างๆในในพระพุทธศาสนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวะหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตทินังเปตานังอุปกาปติ อิชิตังปัิตังตุมหังคิดเมวะสมิจฉตุสัพเพปรเณตุสังกะปาจันโทปนาวะโสยธามณีโชติอาวะโสยธาสัพพิติโยวิวะฉันตุสัพพะโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตาลาโยสุขีธีขาโยโกภวะอภิวาธนศีลิศานิจังวุฒาปจายโนจตารูธรมมวทานติอายุวันสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถาม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 ขอบพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มานาคุตจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติ448ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์317 YouTube อกเร์96วิทยุออนไลน์9คลับ House 6นาคุต122รวมทั้งหมด998ท่านค่ะ <c oughs> คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ทำบุญใส่บาทแล้วอุทิศบุญให้พอ่อให้แม่ที่ล่วงลับไปแล้วบุญจะส่งถึงท่านจะต้องเรียกชื่อพ่อแม่ไหม่เจ้าค้าก็ต้องเลืกถึงบุคคลที่เราต้องส่งไปจะรู้ไปส่งไปให้ใครจะชื่อก็ได้หรือถ้าเรานึกถึงภาพถึงหน้าตาของท่านก็ได้ขอให้ส่งให้ถึงคนนี้ก็แล้วกันเจตนาอยู่ค่ะคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ เขากับพระอาจารย์ช่วยสอนอธิบายคําว่ารูปรูปฌานกับอรูปฌานด้วยค่ะคือการเป็นการนั่งสมาธิให้ทําจิตให้สงบขั้นต้นเราก็จะได้ขั้นรูปฌานคือสงบสงบในระดับที่ยังไม่มากเหนือกว่า น, นั้นยังมีความสงบที่ละเอียดกว่าที่เรียกร ะ, ระดับอรูปฌานวิธีจะเข้าฌานเหล่านี้ก็คือใช้สติเพ่ง ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับพุทโธพุทโธไปมันก็จะพาให้จิตได้เข้าสู่ขั้นรูประชานและอรูประชานตามลำดับต่อไปคำถามสักทาง a ฟ e b o o k ค่ะเมื่อเราพิจารณาร่างกายจนเห็นอหยามเินแจ้งลราว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่นอนแล้วจิตจะปล่อยวางเองโดยอัตโนมัติเหมือนเปรียบ เรียดเหมือนเราตามดูคนที่เรารักไปแอบมีคนรักใหม่จนแน่ใจหรือเห็นกับตาเราก็จะหมดรักให้กับคนนั้นโดยอัตโนมตัติใช่หรือไม่ครับเราก็ต้องไปพิสูจน์ดูว่ามันเป็นความจริงหรือว่าเป็นเพียงแต่ความคิดนความจริงก็คือเราต้องไปพาร่างกายไปปล่อยที่มันอาจจะตายได้เช่นไปอยู่ในป่าเปลี่ยวคนเดียวที่มีสิงสารสัตว์มีภัยอันตรายรอบด้าน แล้วดูว่าใจเรานิ่งหรือไม่นิ่งถ้าใจเราเฉยไม่ไ ม, ไม่ไม่หวาดกลัวไม่ตกใจไม่เสียดายในการเป็นความตายของร่างกายก็แสดงว่าเราปล่อยได้แต่ถ้าเรายังกลัวอยู่ยังตกใจอยู่ยังใจสั่นอยู่แสดงว่าเรายัางปล่อยไม่ได้ก็ต้องใช้สติที่สัน่นก็เพราะใจยังไม่นิ่งยังไม่มีอุบเบกขาพอก็พยายามใช้สติพุทธโธพุทธโธัวเข้าไป เวลาเกิดความกลัวเกิดใจสั่นขึ้นมาก็ใช้พุทโธพุทโธให้มันนิ่งให้ได้ถ้ามันนิ่งมันก็แสดงว่ามันมันก็จะปล่อยได้คำถามจากทาง a c e บ o o k ค่ะการที่เราดูแลพ่อแม่และน้องบางครั้งรู้สึกเหนื่อยไม่ได้ดังใจก็จะหงุดหงิดบนราคาญไม่อยากทำต่อทำให้จิตต่ำเราควรทำอย่างไรดีคะเราก็อย่าไปทำเพื่อให้เราได้ตามใจเราสิ เราทําให้เขาต้องตามใจเขาไม่ใช่ตามใจเราเขาอยากจะได้อะไรเราก็ทําตามที่เขาอยากได้มันก็จบปัญหาคือเราอยากได้อย่างหนึ่งเขาอยากได้อีกอย่างหนึ่งมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาเมื่อเราอยากจะช่วยใครเราต้องช่วยให้เขาต้องตามใจเขาเขาต้องการอะไรก็หาให้เขาไม่ใช่เขาอยากได้อย่างนี้เราไปหาอย่างนู้นอีกอย่างหนึ่งให้เขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่อยากได้ พอเขาไม่อยากได้เราก็เลยท้อเราก็เหนื่อยขึ้นมางั้นเราจะช่วยใครจะทำอะไรให้กับใครต้องดูความต้องการของเขาเขาต้องการอะไรถ้าเราทำให้เขาได้ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเท่านั้นเองคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ การที่ยอมให้ภรรยาทุบตีเนื่องจากความโกรธ ถ, ถือเป็นการส่งเสริมให้เขาผิดศีลไหมครับหรือควรขัดขืนหรือมองเป็นกรรมที่เราทาให้เขาโกรธดีครับก็ควรที่จะหลบนะอย่าไปต่อสู้กันเราพยายามหลบเราอย่าไปทำร้ายเขาแล้วก็อย่าให้เขามาทำร้ายเราพยายามป้องกันตัวเราเองไปด้วยแต่ถ้ามันพลาดโดนบ้างก็คิว่าให้อภัยกันไปคิว่า รักกันมันก็อย่างนี้แหละมันเวลามันไม่รักกันมันก็ต้องตีกันบ้างเป็นธรรมดาก็คิดว่าเป็นเป็นเรื่องของชีวิตคู่ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่อยากจะเจอแบบนี้ก็อยู่คนเดียวไปแต่ถ้าเป็นชีวิตคู่มันก็ต้องมีทั้งรักมีทั้งชังสลับกันไปตามอมาณ์บางเวลาก็รักกันบางเวลาก็เกลียดกนันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่ คำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะบุญที่ได้จากการฟังธรรมสามารถอุทิศได้ไหมครับส่วนใหญ่มันยังไม่สำเร็จคือบุญที่ได้จากการฟังธรรมนี้มันต้องบรรลุธรรมน่นนะถึงจะส่วนใหญ่บุญที่จะพระเจ้าสอนให้อุทิศก็คือทานนี่ง่ายที่สุดแล้วแน่นอนที่สุดทาทานปุบได้บุญทันที แต่บุญอย่างอื่นเป็นบุญที่กำลังสร้างอยู่ยังไม่สำเร็จประโยชน์ทันทีทันใดคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะมีคนบอกว่าการนั่งสมาธิทีถ่ถูกต้องจะเราจะต้องเห็นดวงแก้วเหมือนคริสตัลแต่หนูไม่เคยเห็นเลยค่ะมีแต่รู้สึกสงบหนูผิดหนูนั่งผิดหรือเปล่าครับก็คุณไปศึกษาจากเขาแล้วมาถามเราทำไมล่ะ เราตอบไม่ได้รเราเขาสอนแบบนั้นแล้วแล้วมาถามว่าผิดหรือถูกเราตอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้สอนแบบนั้นค่ะคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะคนที่ค่าตัวตายจิตเขาจะไปรับบุญและบาปตามที่ทํามาเลยหรือไม่คะหรือว่ายังวนเวียนอยู่ในบ้านเพราะยังไม่หมดอายุไขแล้วถ้าทําบุญไปให้จะได้รับบุญไหมคะคนที่ฆ่าตัวตายมักจะ อยู่ในสภาพของนรกไฟนรกเนี่ยก็จะไม่สามารถรับอะไรจากใครได้ในช่วงนั้นจนกว่าไฟนรกมันจะเบาดับลงไปก่อนหรือจะออกมาเป็นเปรตมันถึงจะสามารถรับรับรับบุญจากผู้อื่นได้คำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะผมเห็นว่าตัวเองเป็นประเภทโทสะจริตต้องภาวนายอย่างไงครับ ใช้เมตตาไงเวลาโกรธใครก็ให้อภัยเขาฝึกให้อภัยอย่าไปถือโทษโกรธเคืองคิดว่าเราอยู่ด้วยกันต้องพึ่งพาอาศัยกันก็มีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาเหมือนลิ้นกับฟันต้องหัดอยู่ร่วมกันให้ได้อย่าไปกัดกันอย่าไปตัดลิ้นเวลาฟันไปกัดลิ้นก็ไปตัดฟันทิ้งอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องหัดอยู่ร่วมกันอาจจะมีการพลาดพลั้งบ้างก็ให้อภัยกันไป คาถามจากทาง a c e b o o k ค่ะเราเป็นผู้เตรียมอาหารใส่บาตรแต่ไม่ได้เป็นคนใส่บาตรเองเราจะได้บุญไหมคะคิดว่าของเป็นของใครเป็นหลักถ้าของเป็นของเราถึงแม้เราจะไม่ได้ไปใส่เองคนอื่นใส่แทนเราเราก็จะได้บุญจากของนั้นคนที่อาไปใส่เขาไม่ได้บุญจากของนั้น แต่เขาได้บุญจากการที่ช่วยเหลือเรารับใช้เราไปใส่บาตรอีกทีเป็นบุญคนละชนิดกันคำถามจากทาง y o u t u b e อกร V วค่ะมีเพื่อนฝากถามมาว่าพระอาจารย์เคยบวชจำวัดที่สงขาไหมคะเดี๋ยวพูดไปได้ไหมดีเสียงพระอาจารย์เคยบวชหรือจำวัดที่สงขาไหมคะสงขาเหรอค่ะไม่เคยไปเลยไม่เคยไป ถามสักทางเฟซบุ๊กค่ะลูกที่เอาแต่ใจด่าพ่อหรือคนอื่นๆเมื่อทำให้เขาไม่พอใจเขาทำให้พ่อและทุกคนคอยเดือดร้อนอยู่เสมอวันๆไม่ทำอะไรขอแต่เงินตอนนี้เรียนจบอายุ21แล้วเขาทำแบบนี้ต้องเป็นแบาปแน่ๆเพราะไม่เคยตอบโต้ส่งเสียนเรียนจนจบจะมีวิธีสอนเขาใ ห, ให้รู้ผิดรู้ถูกได้ยังไงคะ ถ้ามันโตขนาดนี้แล้วมันก็ยากเนหะมือนไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากมันควรจะสอนตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กตั้งแต่ตอนที่ยังเชื่อเชื่อฟังง่ายอยู่สอนไปแต่พอโตพอเขาเริ่มมีตัวมีตันของเขามีความคิดเข็นของเขาแล้วก็จะยากเขาสอนได้เนะี่ยก็บอกเขาสิผิดถูกดีชั่วอะไรเป็นอย่างไรก็บอกเข้าไปส่วนเขาจะเอาไป เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็เป็นเรื่องของเขา <c oughs> คำถามจากทางนากูดค่ะกลับในมั ส, สกา ร, รองค์หลวงพ่อเจ้าค่ะ ลูกขอกราบข้อสงสัยเพื่อบรรลุมรคผลนิพพานดังนี้เจ้าค่ะข้อแรกชีวิตคู่ลม้มเหลวความเห็นไม่ตรงกรันต้องอย่าร้างมีบุตรชายหนึ่งคนอายุเจ็ดขวบตกไปอยู่ในความอุปการะของบิดาทำให้ทุกข์มากนอนหลับฝันร้ายถึงลูกบ่อยๆทำอย่างไรจึงจิตจึงจะปล่อยวางความผูกพันกับลูกได้คะทั้งทั้งค่ะ ผ่านมาเป็นสิบปีแล้วก็ยังฝันอยู่ครับก็คิดว่าตายจากกันไปเท่านั้นเองก็จบเขาก็เราเหมือนตายจากกันไปไม่ได้อยู่ร่วมกันเรเหมือนตายจากกันไปเขาจะเป็นตายร้ายดียังไงก็เป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมของเขาเราก็ไปช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วเราก็ต้องตัดใจให้ได้ที่ว่าคนเราเกิดมาในที่สุดไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพักจากกันเป็นธรรมดา เมื่อไม่อยู่ร่วมกันแล้วไม่อยู่ด้วยกันแล้วก็ถือว่าตายจากกันได้คำถามข้อที่สองค่ะความฝันเป็นเรื่องของสัญญาและสังขารที่เราเชื่อได้หรือเปล่าคะหรือเป็นแค่อาการของจิตที่เป็นไปตามขดไตรลักษ์เกิดขึ้นแล้วดับไปยึดถือเป็นแกนสาระไม่ได้ค่ะก็ออไปเจน้าวมันเป็นไตรลักษ์ไปก็แล้วกัน ข้อที่สการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานจําเป็นต้องตัดขาดจากลูกหรือเปล่าคะตอนนี้ปล่อยวางตัดขาดจากทรัพย์สินทั้งหมดแล้วเจ้าค่ะก็ต้องตัดขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องต้นก็เอาของภายนอกร่างกายก่อนเช่นาลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็มาตัดที่ร่างกายของเราปล่อยวางร่างกายของเรา ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็อย่าไปทุกข์อย่าไปเดือดร้อนกับมันปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันคำถามจากทาง y o u t u ด็อรค่ะอยากให้พระอาจารย์อธิบายความเสียสละความอ่อนน้อมถ่อมตนความจริงใจเพื่อนำไปปฏิบัติเจ้าค่ากออ็คือเสียสละก็คือเช่นเรามีข้าวจะกินข้าวพอดีเห็นขอทานมามันไม่มีข้าวกินเราก็ เสียสละข้าวจานนั้นไปขอทานกินไปนี่ก็เรียกว่าเสาียสละเอจริงใจก็คือเราทําโดยที่เราเราทําด้วยความเมตตาเราไม่ได้ทําเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนเราทําเพื่อให้เขาได้รับความสุขนี่ก็เรียกว่าทําด้วยความจริงใจมีอะไรไหมมีค่ขอความอ่อนน้อมทำตนค่ะก็อ่อนน้มน อ, อนนมทำตนก็นี่แหละเจอใครก็ยกมือไหว้เขา อย่าไปทำตัวเป็นใหญ่เป็นโตทำตัวเราเป็นผู้น้อยถึงแม้ในทางสมมุติแล้วอาจจะใหญ่โตก็ได้อาจจะเป็นนายพันแต่เจอนาร้อยก็ยกมือไหว้เขาก็ได้ไม่เสียหายตรงไหนอันนี้คือความอ่อนน้อมถ่อมตนคำถามสักทาง YouTube บดรว V ค่ะการสวดมนต์ก่อนเข้านอนทุกคืนได้บุญหรือไม่เจ้าคะก็แล้วแต่ว่าสวดแล้วสงบหรือไม่สงบนะ ถ้าสงบก็ได้บุญถ้าไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญแต่ก็ยังได้ไ ด, ได้การฝึกฝนอบรมการการสวด น, นี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนอบร ม, มทำใจให้สงบส่วนจะสงบหรือไม่นั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ได้ก็คือการได้ฝึกฝนอบรมคำถามจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะบางครั้งจะทำบุญช่วยเหลือคนที่ลาบาก แต่ไม่คิดว่าเขาอาจจะทํากรรมชั่วๆมาก่อนแล้วมารับผลกรรมอยู่ก็เลยนึกค่อยอยากจะช่วยครับนั่เรื่องของคุณเนี่ยคุณจะคิดยังไงก็แล้วแต่คุณถ้าคุณลองย้อนกลับมาย้อนกลับมาที่ตัวของคุณบ้างก็แล้วกันว่าเวลาคุณทุกขยากเดือดร้อนแล้วคนเขาคิดอย่างนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ผมภาวนาจนจิตว่างผมติดว่างอยู่ผมควรทำอย่างไรต่อไปดีครับก็ให้มันติดเป็นนานๆให้มันว่างนานๆยังไม่ความว่างไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรเวลาทำสมาธิก็ต้องทำให้มันว่างก็ให้มันว่างนานๆในขณะที่ทำสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องมาฝึกใช้ความคิดให้คิดไปในทางปัญญาคิดไปในทางไตรลักษณ์คิดไปในทางอริยสัจสี่ คำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะผู้ที่ร่วงลับไปหลายสิบปียี่สิบปีแล้วเราต้องแผกส่วนกุศลให้เขาอยู่ไหมคะแล้วแต่เราเราอยากจะแผกเราจะส่งกุศลไปก็ได้ไม่ส่งก็ได้ไม่มีไม่มีข้อจำกัดเวลามหมดแล้วหหมดแล้วค่ะ <Okay. S 1> โอ้อีกคำถามหนึ่งค่ะ โยมทำงานแล้วมีไรายได้เป็นของตนเองชอบทำบุญทำทานและไม่ได้ทำเกินตัวแต่พ่อแม่ไม่ชอบรู้สึกเสียดายเงินแทนโยมทำให้หลายๆครั้งโยมทำบุญแต่ไม่ได้บอกให้พ่อแม่อนุโมทนาบุญร่วมกัน ถ, ถูกแล้วถ้าบอกแล้วเขาไม่อนุโมทนาก็อย่าไปบอกเขาก็ทานั้นเองท่าหมดแล้วค่ะโอเค